สิกขาบทที่หภิกษุณีห่มจีวรสับเปลี่ยนกันต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังห่มต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายาม 2. เมื่อห่มแล้วต้องอาบัตปาจิตตี